นี่มันห้องเยื่อสีสแตล์วมันจะมดล่ะนะยอมแล้วยอมแล้วดีนะมดแะ้วบ่อนี่ยมันห่องมันยอมมาเด้นเ่ยนยอนบ่ฮะเด็นไหม คำพูดคำพูดกับความคิดบางทีมันไม่สัมพันธ์กันเหมือนกันนะดูเราเราพุทธมะนแะล้ว่าเราไม่เคยจำเลยนะวัย28พุทธิเจ้าบวชออกบ่28แล้วไม่เคยจำเลยเ้ยมันไปออกได้ยังไง <c oughs> ออกบวชมาตาอนอายุ28ปนะีแต่คิดด้วยกว่อนนะ จำได้ไปเจอของคิดนะคิดว่ายี่บเก้านะแต้มันออกไปยนะี่สบแปดนะแยกมากเลยแล้วไม่เคยคิดไม่เคยจําเลยว่ายี่บแปดนะนออกไปยี่สิบแปดนี่ประเทศที่ภูฐานเนี่ยไปเล่าเรื่องย้อนหลังพุทธิเจ้านิดหน่อยนะ นี่จะไปแก่อย่างไรเนี่ยมะนะันรู้คนนะเขาแก้ให้หรือเปล่ามนรู้เขาแก้ได้แก้ได้ไแก้ให้เรือเล่ามนรู้เขาคงเขาค ง, งไม่แปลกเนาะ บ้านเขาเมืองเขาก็คงไม่แปลกแต่บ้านเรานี่แหละได้ยินปั๊บีัแปลกรวดบางทีเขาคิดว่าประวัติศาสตร์อาจจะไม่เหมือนกันดูจากเดือนนี้เดือนมิถุนาทั้งเดือนเนี่ยเขาบอกเป็นเดือนพระเจา้าประสูติตรุษปณิพานเนี่ยแท้จริงมั น, มนเริ่มเมื่อไหร่นะ เริ่มเดือนเริ่มเดือนแปดใช่ไหมเริ่มเดือนนี้ใช่ไหมแต่อยู่นูน่นมิสนานเนี่ยเพราะว่าเริ่มแล้วเป็นวันเป็นเดือนที่พุทธเจ้าประสูตรสูตรวันนี้ผ่านไม่ฆ่าสัตว์หมดทั้งประเทศเลยนะเขาไม่ฆ่าสัตว์หมดทั้งประเทศเลยบางคนก็ถือได้บางคนก็แอบขโมย หมายคุมด้วยนะเป็นกฎหมายควบคุมบางคนก็แอ บ, บขโมยฆ่าไว้ก่อนอดไม่ได้ <c oughs> กินอยู่กินกินเนื้อสัตว์อยู่พวกนั้นแต่ว่าอาหารเจรเขาเป็นส่วนมากอาหารเขาส่วนมากจะเป็นอาหารเจร ต้มพริกพริกสดเรานี่แหละพริกสดเขียวๆนี่แหละเอาไปผ่าผ่าตามยาวนะผ่าตามยาวพริกสดใส่ต้มใส่เนยเนยก็เนยข้นๆไม่ใช่มีแต่น้ํารอกแลกนะเป็นเนยข้นๆแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อกับเนื้อพริก อันไปก็มันๆเค็มๆโอ้มันๆเค็มๆเ น, น, นยเนยแล้วก็เผ็ดเผ็ดพอาะพริกโอ้ยฟาดมากมันกีบเน่าวเลยเหมือนกันแหละพริกนะ่อาหารท้าวเสร็จแล้วก็อาหารซุปหัวหัวปากกาเอวยหัวลายเอวยเล ะ, เละ ทำเล็กว่าจะว่าจะว่าเป็นกะิก็ไม่ใช่อาหารเขาอาหารของชาวิรัตกินง่ายเห็นเมืองไทยเราเนี่ยกินยากรู้อะไรต่ออะไร อ, อย่าง10อย่าง นอันนี้มิดอันนี้หน่อยเหลือทิ้งเยอะๆเจอจะอาหารไทยแล้วไปเข้าฟอีแล้วเนี่ยพรนี่ละขนไปเนื้อกระปุกเนื้กรอบ ไข่พวกนักกรอบปลาแห้งน้ำพริกหม้อหมูหิมะผ่าน เรื่องปกติธรรมดาการรายงานมาที่ปากวันที่ปากมันว่าผิดเหมือนกันนะคิดคิดไปอย่างหนึ่งเวลา อ, ออกมาปากมันพาว่าไปอย่างหนึ่งเอา้าเราไม่ได้คิดพูดอย่างนั้นนะทำไมมันออกไปอย่างนั้นมันเป็นนะ บางทีบาง ท, างทีเราจะพูดลักษณะว่ารับแต่มันกลายไปเป็นปฏิเสธเนี้ยเป็นบางทีเราก็บางทีเราก็พูดแก้ทันแต่ไอ้ยีิบแปดเนี่ยไม่ได้คิดด้วยเลยไม่ได้คิดตามเลยพาพูดผิด พอามาฟังดูอ้าวยี่แปดได้ยังไงวะไอ้วกนั้นเขาฟังเขาฟังออกเขาว่ายี่แปดเขาฟังเสร็จแล้วเขาว่าคนแปลแปลยี่แปดดีเาเขาคิดว่ามันจะแปลไปคิดว่าจะคนแปลจะว่ายี่เก้าาดย8แปดทาอีกเออเป็นเรื่องขำดีเว้ย มันเสียประวัติศารมันมันไม่เสียข้อปฏิบัติมันไม่เสีย้วิธีปฏิบัติหรอ ก, รอกคามันจาเป็นความจาวันจาปีมันไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติแต่ข้อปฏิบัติไม่ไมผิดแต่าบางครั้งคำพูด พูดสับไปสับมาพูดกลับไปกลับมาคนฟังเขาจะยากอีกเหมือนกันภาษาคำพูดเมื่อก่อนเราไม่รู้ดอกเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเอามาฟังดูในมูอเขาอ่านแล้วเราไปฟังดูอ้าวว่าผิดด้วเลย เมื่อก่อนไม่เคยฟังที่เราจะของว่าไม่ผิดอะ่ะพูดไม่ผิดผิดคำพูดแต่ถ้าถ้าใครเคยเป็นนักฟังเป็นนักสังเกตเนี่ยจะเป็นเกือบทั้งนั่นแหละเป็นลองฟังเราเป็นนักฟังสังเกตจะจะเป็นมันจะเป็นแน่นอนเลยนิจจัง เราไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงในปัจจัยสารพัที่มันจะพาเปลี่ยนแปลงความหนาวความร้อนความหิก็าหายร่างกายอายุไขบางคนอายุมากสน่อยนึ่เลอะรือนไปหมดละหมดเลอะเลอะลือนเรือนพอแต่เขาว่าอายุมากสัหน่อยหนึ่ง ลืมกินกินแล้วก็ลืมลืมว่ายังไม่ได้กินลืมกินลืมนอนแล้เดือนมันไม่คงที่ พรุ่งนี้วันที่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, ส1บ1ิ12กที่หวันวันอาสาะวันที่เท่าไหร่สิบสองสิบสหรือ 11, 1บเอสิบสองสิเอาสาห้าสิบเครับข้อม สาานาสิบเบ็ดสิวันที่สิบเบ็ดนะพวกไอ้นะการไฟฟ้านะครหลวงมันจะมาพักจะมาทอดพระป่าแล้วจะมาค้างอยู่นี่เลยร้อยคนการไฟฟ้านะครหลวงพอมาถึง ร, ราวบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยบ่ายสามบ่สีนตอนข้ามขอกินข้าวด้วย ตอนหกหนึ่งทุ่มเวลาที่เรารวมกันนั่นแหละทอดผัวป่าไปทอดพระกันไปรวมกันทอดผัป่าตอนเช้ารับทานเสร็จแล้วเดินทางต่อการพระนครหลวงตอนเช้าวันที่สิบสองนี่ตอนข้าววันที่สิบเอ็ดมาพักทอดป่าสิบสองกินข้าวเสร็จไปต่อ พ ว, พวกทีมพวกคุณหมอแบล็คเขาก็จะมาสองคันรถตู้วันที่สิบสองตอนข้ามอีกวันที่สิบสองมาพักกุญนี้แล้วเนี่ยุ์ยายนี่แหละ ในครัวก็กุดใหญ่แหละอัดเข้าไปเลยผู้ชายก็พักตรงนี้หีิงก็พักทางนู้นทำยังไงล่ะเขามา เราเป็นผู้อยู่ก็ดูแลขยับขยายให้เขาได้อยู่ได้พักทำเนียมแขกไปวัดแขกมาบ้าน ทำไมอ่ะชาบพูดหัวใจเขาหัวใจเราหัวใจเขาหัวใจเราหัวใจใครมันก็อยากสบายเหมือนกันมีใครไม่อยากสบายบ้างอยากสบายด้วยกันเหมือนกันนั่นแหละวัตถุบนญเขอยากได้บุญเหมือนกันน่ะวัตถุดีก็อยากได้ดีเหมือนกันนั่นแหละ พูดถึงเก่งระยกเก่งเหมือนกันนี่แหละคนหัวใจคนแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละขอยกเว้นอย่างเดียวความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบมาด้วยความเอารัดเอาเปรียบมาด้วย ที่มณะมาด้วยวางเพ่งเล็งมาด้วยจองจับผิดมาด้วย วุ่นวาเพราอันนี้แหละตัวนี้แหละโลกสาสตร์นำร้อนใส่กันกัอันนี้แหละตัวนี้แหละน้ำเดือดศาสตใส่กันใจมันเดือดถือเนือ้อถือเนือ้อถือตัวเหนียวแน่นมั่นคง ตั้หาแรงอุปท า, านกล้าตั้หาอุปาทานทำ ง, งานเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ห่อไว้ห่อไว้ห่อไว้หมกเอาไว้หมกเอาไว้เผาหายใจ ตัวเองมมอเผาใครแหละเผาใจตัวเองฉลาดหาความสุขให้กับใจถ้าไม่ฉลาดเลลงเพลงมันทั้งหมดนั่นแหละเพลินไปกับเพลงของมันทั้งหมดไม่รู้อะไร เลอไปกับเพลงมันทั้งหมดเลยอะไรวะจะต่อสู้ต่อกกับมันทาไมต้องไปตามหลังมันต่อยตอ ย, ต อ, ย, ต อ, ย, ต อ, ยอย่างนั้นมันพลิกแป๊บเดียวแหละไปตามมันหลังมันจ่อยลิกแป๊บเดียวตามหลังมันจอย สร้างกำลังเอาไว้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองเอาไว้สร้างพลังของความสงบเอาไว้ฐานของความสงบเอาไว้เป็นพลังวิเศษกาดเอาไว้ตุนเอาไว้ไว้ต่อกกอนกับมันความสุขไม่ต้องวิ่งตาม เอาความสงบนี่แหละเป็นขุมพลังความสุขไม่ต้องไปวิ่งตามมันไม่ต้องไปวิ่งไล่มันวิ่งไล่ก็ไม่ทันมันวิ่งไร่มันก็ไม่ทันมันทุกขกับการวิ่งไล่มันอีกต่างหากหยุดมันไม่ต้องวิ่งไล่มันถึงความสุขทันทีพระเจ้าทั้งหลายสาะให้สใหสแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องไปนึกคิดตามมันหรอกคิดอย่างเดียวคิดเรื่องธรรมนี่แหละพุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละคาถาครั้งแท้ๆคาถ า, าเลิศนี่แหละอักมันอักมัน ขมันโตอักขมันโตนี่แหละหมอนอันเลิศท่นเลิศแล้วลุงพ่อเจียมมาไหมลุงพ่อเจียมมาไหมฮะ ไม่มาอ๋อไม่ได้มาแล้วลูกชายมาไหมฮ <c oughs> ะเป็นคนเดียวไม่าูกชาก็น อ, อนเฝ้าอยู่นู้น <c oughs> แล้วก็ลืมดูมืนวันวันมันไปทําอะไรบุ๊ลืมดูลืมถามลืมคุยกับมัน <c oughs> ไม่เห็นมันไปใกล้ที่แถวเลยน่ะเราทํางานนู้นไม่เห็นมันไปใกล้ แขนพิการแขนแขนพิการแขนอะไรแขนต้างอยงนเดกหะแขนพิการนเ็โอ้ยกหยิบอะไรไม่ได้ยบได้เกือบหายแล้วยังเขาเาเาตัดไหมอะไรยังไง มันจะเปลี่ยนอย่างนั้ตับใหม่วันที่สิบ16แล้วแต่มันจะเป็นร่างกายบางคนแข็งแรงหน่อยไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมางคนอ่อนแออ่อนอ่อนแอดแอดอันนั้นก็อันนี้ก็ รุมอันนี้รุมบางคนก็อายุยืนยืนบางคนก็อายุสั้นๆตายทั้งัๆ ท, ที่หนุม่มแน่นก็มีหนุม่มสาวก็มีนั่งรุ่นสาวรุ่นหนุม่มก็มีเบียดเบียนสัต ทำไมร่างกายอ่อนแอทำไมร่างกายทำไมชีวิตสั้นอายุสั้นเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนสัตว์ป้านานั่นแหละเบียดเบียนสัตว์เล็กกระบอกคำเล็กเบียดเบียนเบียดเบียนสัตว์ใหญ่กรบอกคมใหญ่เบียดเบียนมนุษย์ สัตว์ที่มีคุณกรรมกนหนักเข้าไปอีกธรรมาท่านว่างันเด้เป็นเบนเป็นภันนยสนนองกันจิตของตัวเองไปให้โทษคนอื่นโทษที่เราเคยให้เขานั่นแหละโทษนั้นแหละมันกลับมาเล่นงนานเราอีกมันมาได้ไง มันกลับมาเล่นงานเราได้ยังไงฮะ <Huh? S 1> ก็เราทําไปแล้วมันกลับมาเล่นงานเราได้ยังไงความโหดร้ายของจิตของเรานี่ยแหละที่มันทําไปนะั่ะตัวมันอยู่นี้มันไม่ได้ไปไหนมันตามหลังเราเนี่นแหละจิตผู้รู้นี่แหละมันไม่ได้ไปไหนแต่ตัวนี้อตัวร้กาที่ไปทํำเขา ต้นเหตุมันอยู่ที่มันเนี่ยมันจะไม่ตามมาเล่นงานได้ยังไงท่านยิงว่าสนองกรรมกรรมสนองกรรมเขาถามว่าทำไมทำดีร่างกายทำดีทำให้รูปงามไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทำให้อายุยืน ทำไม่ดีทําให้ก่ริย์กิเลสทาให้อายุสั้นอืทํำให้ร่างกาย อ, อ่อนแ อ, อ, อเป็นโรคเกลียบแค่ได้ป่วยอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมถึงต้องมาตกอยู่ที่กายเขาว่างั้นนะทําไมถึงต้องมาตกอยู่ที่กายเขาถาม โอ้คำถามเขานี่ยละเอียดนแต่ทำดีทำไมต้องมาตกอยู่ที่กายทำให้กายงามทำให้กายไม่งามทำให้ดีก็ทำให้กายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอดอดแอ ด, อดเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมต้องมาตกที่กายครับทำไมต้องมาตกที่กายเราทำจิตทำไม่ใช่เหรอ ทำไมจิตไม่รับไปทําไมต้องมาเป็นที่กายกรรมแล้วแต่มันจะให้ผลกรรมเนี่ยเราเบียดเบียนกายเขาเขาก็บิดเบียนกายเราร่างกายเขาก็ลืมคิดไปว่าร่างกายมันก็เป็นผลผลของใจพฤติกรรมทุกอย่างที่ จิตทานั่นแหละเพราะฉะนั้นผลกรรมทั้งหมดเนี่ยจิตรับเหมาเอาหมดโดยเหตุที่จิตมีกายจิตไปเกี่ยวข้องกับกายกรรมก็ส่งผลมาที่กายอีกเคยฆ่าเขาเลยเคยฆ่าเขาเป็นตัว เ, เป็นสัตว์เพอาเองตัวเองมีตัวตัวเองร่างกายตัวเองก็ต้องพลอยได้รับทุกข์ด้วย มันก็มากับจิตนั่นแหละจิตเป็นหนึ่งเดียวที่ทำโลกนี้ให้ปรากฏกับเราพฤติกรรมทางกายทางวายจามันก็มาจากจิตร่างกายเป็นสมบัติของจิตของใจถ้าใจดีใจก็ได้กายมนุษย์ได้กายเทวดาได้กายอินได้กายพร้อม เป็นใจดีเป็นใจอินเป็นใจพรมเป็นใจพระอรหันต์ใจดีใจไม่ดีเป็นใจสัตว์เป็นใจสัตว์นรกเป็นใจสัตว์เปรตเป็นจใจสัตว์อสุรกายเป็นใจสัตว์เดรัจฉานมันไปจากพฤติกรรมของกายเนี่ยมันจะไปได้อันทะภาพอะไรมันก็ไปจากพฤติกรรมของใจใจเขาละเอียดหน่อยเขาก็ได้ร่างกายทิพย์ เป็นเทวดาวชั้น น, นั้นชั้นนั้นชั้นนั้นละเอียดขึ้นไปอีกกัดกายทิพย์ประดับปดาวสวยงามตกแต่งเป็นแก้วแวววาวใจละเอียดใจเลิศใจประเสริฐใจพระอาหารหันต์นั่นเป็นความสุขเต็มที่ความสุขเต็มร้อยมาจากใจทท้านั้นแหละ ไม่ต้องไปสงสัยมันดอกพฤติกรรมทุกอย่างมาจากใจท่านั้นแหละก่อนที่มันจะมาทำทางกายทางวาจา ก, ก็มาจากใจเท่านั้นแหละถ้าไม่มีใจก็เหมือนตนเสาวนี่แหละรามันอยู่ยังไงก็อยู่ยังงั้นแหละเดี๋ยวนี้เราเดือดร้อนกับทุกข์เข็ดลาวกับทุกข์ ดิ้นรนเพื่อเพื่อหาทางพ้นทุกข์ดิ้นถูกก็ค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงดิ้นไม่ถูกก็ยิ่งเพิ่มพูนพอหางหมูดิ้นพ่อกหางหมูดิ้นถูกคือแสวงหาถูกดิ้นไม่ถูกคือแสวงหาไม่ถูกดิ้นถูกก็ทําถูกดิ้นไม่ถูกทําไม่ถูก แก้แก้แก้แก้แทนที่จะเป็นการแก้กับมัดมัดมัดมั ด, มดแทนที่จะได้บุญขึ้นมาได้แต่บาปก็อยู่กับปัญญาปัญญาจึงเป็นแสงสว่างให้หนทางเดินกับเราทางสว่างดีเราก็เดินได้สะดวกทางมืดมืดทึบทึบก็บเดินผิดผิดถูกๆ ตกหลุมตกหลุมตกลุมตกล่องตกปลาตกเขาความหลงก็ทำให้เราหลงเพลินอยู่กับโลกมีความสุขแบบหลงๆเดี๋ยวเจอทุกข์ เดี๋ยวก็เจอสุขเหลืก็เจอทุกข์เดวก็เจอสุขแต่เวลามันทุกข์จริงๆนี่มันเหลือบดเหลือทนจริงๆแลืออดเหือทนขนาดไหนอ่ะมันอย่างนางปตายาจาร า, างั้นแหละนั่นะเลือดอดเหลือทนขนาดนั้นอ่ะทุกข์จนบ้าหั <c oughs> วกระตายลูกกระตาย ลูกสองคนตายคราวเดียวกันผักน ว, นว ก, ก, ก, ตววก็ตายวันเดียวกันลูกก็ตายวันเดียวกันพ่อแม่น้องชายตายวันเดียวกันทุกข์จนบ้าทุกข์อะไรกว่านั้นทุกข์จนบ้าทิ้งผ้าทิ้งผ่อนทิ้งอะไรเดินแก้ผ้าไม่รู้ตัวเลยขาดสติขาดสัมผชสัญญานั่นแหะทุกเต็มที่มันถึงขนาด น, นั้นนะ เราจะว่ามันไม่น่าเข็ดหลาบได้ยงไงเวลาเราเั่นแล้วแค่ทุกข์หาอยู่หากินทุกอยากทุกจนทุกไม่เสมอหน้าเขาทุกน้อยเนื้อต่ำใจทุกผิดหวังทุกสรพัดเวลามันเกิดขึ้นใน ห, หัวใจของเราเป็นไง บนทางที่เราพยายามจะทำไปเัื่ปล่อยเพื่อวางมันไปยังไม่ถึงพุทธเจ้าท่างให้ศึกษาให้วางให้ได้นำอัตสมิมานะออกการสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตนเป็นของของตนออกความทุกข์เหล่านี้ถึงจะหมดไปร่างกายก็เป็นทุกข์เหมือนเหมือนเหมือนลักษณะภาวะของมันนี่แหละ ถึงจะเป็นอะไรมันก็ต้องแตกต้องสลายอยู่นี่แหละแต่ที่จะบริสุทธิ์พุดโทรไปก็มีแต่จิตดวงเดียวสมอบรมเอาแสวงหาปัญญาศึกษาเพื่อให้รู้ที่หลบที่หลีกจากความทุกข์จากกองทุกข์ อย่าไปหลงหาก่อคอยเด็ดทุกมาใส่ตัวเ้วเหตุที่เราหลงเราก็เปลินล้วก็เคยยิ้มยิ้มย่องอยางนั่นแหละเพราเราหลงโลยมาแล้วก็หลงโอยมาล้วก็หลงมีใจได้รับความสงบให้ใจมีวิหารธรรมมีที่อยู่ ให้ใจมีงานทำให้ใจมีที่อยู่มีที่อยู่แล้วมันก็สะดวกสบายเหมือนอย่าเรามีบ้านมีเรือนนี่แหละฝนตกแดดออกสัตว์เลื้อยคลานเราอยู่ในที่ที่เราอยู่สะดวกสบายฝนตกก็ไม่เปียบพายุมาเราก็อยู่ได้สัตว์ ร, ร้ายมาเราก็อยู่ได้เหลือบอยุงมาก็ทำอะไรเราไม่ได้ เรามีที่อยู่มีความสุขเรามีที่อยู่เรามีความสุขไหมแค่ยุงเจาะเราเนี่ค ล, ลองดูทา่านลองดูท่านหน้าแค่ยุงเจาะเราเนี่เนี่ยเราอยู่ในนี้มันไม่เจาะเพราะมันเข้ามาไม่ได้ ของเราที่มันไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องห่อหุ้มช่วยปกช่วยป้องช่วยปิดช่วยกำบังนะศัตรูมาก็ถึงตัวศัตรูมาก็ถึงตัวมาทุกข์นะความสงบภายในใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจใจมีความสงบใจมีความสุข ใจมีความสุขใจมีความสงบใจดีดดิ้นใจเดือดร้อนใจวุ่นวายความสงบเป็นที่อยู่ของจิตเป็นอาหารมีอาหารกินมีน้านท้ามีอะไรอารมสมบูรณ์อยู่ในนั้นหมดน้ก <c oughs> คิดวุ่นวายเดือดร้อน ไี่ึกไม่คิดไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมันร้องนานแล้วหัวใจขาดดินละทีจบหยุดเทียนนี่หยุดเทียนน้อยนู่น เริ่มเย็ยนเลยด้ไหนมันเริ่มเย็ยนเลยร่างกายเราเดินไปเดินมาไปอาบนะ้ำมันก็ไม่ยินนะมัมนั่งซะหน่อยนะมันั่งซะหน่อย น, นอเน้อโชคตัวเปดๆๆแทงตาไว้ไฟน่ยปดถ้าไฟไแทงตา นัง่งเก้าอี้อย่างนั้นนั่งได้ทนเหรอฮะลมไงหลั ง, งลก็ไม่ได้เนาะไงนาก็ไม่ ไ, ได้ไงหลังก็ไม่ได้ กว่าเราสบายยุงไม่เจาะเนี่ยเราก็ว่าเราสบายไม่สบายตั้งใจทํางานหรือเปล่ายุงยุงข้างในไม่เจาะหรือเปล่าเนี่ยนะตอดเล็กตอดน้อยอย่างนั้นแหละยุง